Book 2 34ามสิบสนรบนรถไฟอินดีเทรินนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะอินดีเทริ a i อเบอ e ์ l ินรถไฟออกเมื่อไหร่คะ วันนี้รถไ DIE t r ร er i n รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่คะวันนี้อ ARRIVEER ดีไทร์นในเบอร์ลินขอโทษค่ะดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะฟังก์ชันไหมหมากฟังก์ชันดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะ acting D is my black. s e t black ดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะ a c d i n g that of my seat b l a k sit, sit. ตู้นอนอยู่ขบวนไหนค w v a r is die s l a f w a g ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ die s l a f w a is on the end of the train และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนคะขบวนหน้าค่ะอ n waar is die e die begin. Die e ็ w a a ร์อันด e เบอร์คันดิฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะ Mag ek onder slaap? ลอปดิฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะ Mag ek in die middel slaap? ปดิฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะ มักแอคบูเ l a a p เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่วันี้โซลุนสไปดีกรีนสกุมไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่คะรถไฟจะเข้าช้าไหมคะ Is die trein vertraag คุณมีอะไรอ่านไหมคะ h e i e t s om t e l e e s ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะ Kan m e n s i e r e t s k r y om t e eet e n t e d r i n k คุณช่วยปลูกดิฉันตอนเจ็ดโมงได้ไหมคะ Kan m y a s e b l i f om 7 uur w a k k e r m a k